เกี่วกับหลวงปู่บุตดาทาวโรต่อหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ให้ไปเทศคู่กับพระราชคณะท่านหนึ่งนะก็เป็นเจ้าคุณนั่นแหละนะแล้ ว, นะลวก็เรียนสูงมากนะจบะประโยคเก้าพระราชคณะท่านนั้นเนี่ยเห็นหลวงปู่บุตดาก็นึกดูถูกในใจเห็นว่าเป็นพระบัณฑ น, นอกพระหลวงตา ก็เลยถามหนวงธรรมนองลองภูมิว่ า, าวันนี้จะเทศเรื่องอะไรหลวงปู่ท่านก็ตอบว่ า, าเรื่องตัวกโกรธนะเรื่องกิเลสตัณหาพระราชานั่นก็เลยถามว่าตัวโกรธมันเป็นยังไงหลวงปู่ท่านก็ตอบมาว่าส้นตีนส้นตีนไงล่ะ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 หัวเสียมันกันนะเพราะว่าอนุภาคของตัวโกรธนี่มันมันน่ากลัวบางทีมันทำให้เรานะเสียพูดเสียคนไปได้ง่ายๆเมอมีเรื่องเล่าว่าที่กรุงเทพมันมีย่านอยู่ย่านนะเป็นเป็นเป็นถนนที่มีโรงเรียนมัธยมโรงเรียน ไม่ใช่มัธยมโรงเรียนอาชีวะเนี่ยสองโรงเรียนอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็สองโรงเรียนนี้ก็เป็นปฏิปักษ์นะนักเรียนนะครูอาจารย์ไม่เป็นนะ่ะแต่ว่านักเรียนเป็นปฏิปักษ์กันเราวิธีการข่มกันนะอย่างหนึ่งนะก็คือการเขียนข้อความอนะใส่ผนังกำแพงนะตามสองข้างทางเชลี่ยมออศเป็นพ่อกนอนนยอะไรเนี่ยนะหรือว่าอนอนนเป็นพ่อทุกสถาบันเนี่ย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 โรงเรียนที่เป็นคู่ปรปัปากเจ้าของบ้านนี้ก็ต้องต้องเอาสีเนี่ยมาทาทับเนี่ยเป็นประจำและตอนหลังเนี่ยการเขียนคมมันก็แรงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกาแพงก็จะจะสกปรกเร็วมากนะตอนหลังเนี่ยเจ้าของบ้านก็ต้องเขียนคล้ายๆเป็นป้ายปักป้ายไว้ว่ากรุณา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 ถ้าขีดเขีย น, นะบนกำแพงฝา่าฝืนจะถูกจับกลุ่มนะฝา่าฝืนจะถูกจับกลุ่มบอกว่าวันรุงขึ้นเท่านั้นแหละนะกำแพงก็เลอะแถมมีข้อความว่าจะขีดเขียนสักอย่างมีอะไรไหมนี่โกรธมากเลยนะโกรธมากกำแพงเลอะแถมยังถูกทา้าทายวันลุงขึ้นนี่นะเขาเจ้าของบ้านนี่ ทิวกระป๋องสีมาเลยนะพร้อมกับแปรงแล้วก็หลังจากที่ลบข้อความาที่เขียนท้าทายแล้วข้อความสปปรรพดนต่างๆที่ฉีดพ่นในกำแพงก็เขียนแกก็เจ้าของบ้านเขียนข้อความใหญ่ๆตัวต โ, ต โ, ตโตเห็นชัดๆเลยใครขีดเขียนบนกำแพงเป็นหมาอนะตกลงใครเป็นหมาก่อนนะนะ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 นะใครเห็นเขาก็หัวเลาะใหญ่นะเออนะอันนี้พ่ออะไรพ่อความลืมตัวนะ่ะความลืมตัวเนี่ยมันก็ทําให้เราทําอะไรที่น่าอบอายขายหน้านะ่ะหรือว่าเป็นผลเสียกับตัวเราเองได้ได้ะอหลรทาให้ไรทําให้ลืมตัวนะ่ะก็คือความโกรดนั่นเองนะความโกรธความคุนเคืองนะนั่นความ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 หรือพ่อแม่สามารถทำร้ายลูกได้นะเพื่อนก็ทำร้ายเพื่อนนะหรือแม้กระทั่งสามีภรรยาเมื่อหลายปีก่อนมีนมนะสามีภรรยาคู่หนึ่งอายุ ป, ประมาณยี่สิบต้นๆ น, นะแต่งงานกันได้ไม่ถึงปีก็ทะเลาะเบกแวงกันนะมีลูกแล้วแทนที่จะอ่ารักกันก็กลับมีการวิวาทบาดหมาง ก, กันมากขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นเร ภรรยาถูกทุบตีนะตอนหลังภรรยาก็ทนไม่ได้ก็หนีออกจากบ้านทิ้งลูกสามขวบเอาไว้ให้ให้สามีดูแลแต่สามีนี่ไม่เคยดูแลลูกนะก็รู้สึกว่ามันลําบากนะพอขาดภรรยาไปแล้วจะรู้สึกเลยว่าโอ้ชีวิตมันลําบากเหลือเกินนะผู้ชายนีย่ถ้าถ้าภรรยายังไม่ทิ้งนี่ก็ไม่รู้สึกนะแต่พอก็ทิ้งแล้วเนี่ย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 เอาลงที่ทําให้เมาทําให้หลงทําให้ลืมตัวนี่ก็อย่างที่พูดไปคือความโกรธเนี๋ยมันก็มีมากกว่า น, นั้นนะความโศกเศร้าความน้อยเนื้อต่าใจนะก็ทําให้หลงทําให้ลืมตัวได้อย่างที่พูดเมื่อเช้าลูกที่รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจพ่ออพ่อนี่หาว่าลูกเนี่ยอักตันยูเอาปืนให้ลูกเนี่ยเพื่อให้ลูกยิงพ่อเนี่ยอันนี้เป็นคําเป็นการมันก็ว่าศพประมาหลูกว่าลูกเป็นคนในรคุณอักตันยู ลูกก็เลยสึกน้อยเนื้อต่าใจว่าพ่อเห็นตัวเองไปแบบนั้นหรือเอาอารมณ์ชั่ววูบก็ทําให้ลืมตัวนะเอาปืนที่พ่อวางไว้บนเคาน์เตอร์นี่ยิงตัวเองตายนะอันนี้เราเพความน้อยเนื้อต่ําใจนะการเข้า ต, ตัวตายก็ไม่จะเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ความลืมตัวเพียงแค่ชั่ววูบเนี่ยมันก็ทําให้ทุกอย่างพังพินาศได้นอกจากอารมณ์นะที่ทําให้ลืมตัวแล้วเนี่ยนะ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 มือเท้าเนี่ยก็ทำงานอัตโนมัตินะมันถึงไปถึงที่หมายได้แต่ถ้าเกิดเหตุมีรถตัดหน้าหรือมีเด็กวิ่งตัดหน้านะกาลังคุยโทรศัพท์อยู่เพลินๆก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะอันนี้เรียกว่าเพราะความความความคิดฟุง้งซ่านก็ทำให้ลืมตัวคือไม่รู้ตัวว่ากาลังทำอะไรอยู่เพราะตอนนั้นเนี่ยมัน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 สำนักงานแล้วก็ก่อนก่อนที่จะไปถึงสำนัก ง, งานก็แวะนะแวะที่โรงเรียนอ่า n u r หน่อยนะเพื่อส่งเด็กวันนั้นบังเอิญนะรถติดแล้วก็มีประชุมตอนเช้าที่ศาลาที่ทำการเทศบาลก็คงจะไปสายด้วยแล้วก็เป็นประชุมนับสนับสำคัญ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 แล้วก็รีบขึ้นขึ้นตึกไปประชุมก็ประชุมยญ่ถึงเที่ยงพักเที่ยงก็ทำงานต่อจนถึงสี่ห้าโมงเย็นนะก็ได้เวลากลับบ้านก็ขับรถกลับบ้านกลางทางถึงค่อยเฉลียวใจว่ามีเด็กอยู่หลังรถ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 เรื่อ น, นี่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะรถโรงเรียนก็เหมือนกันนะคนขับรถก็ลืมเด็กเอาไว้ที่หลังรถนะมารู้ตัวก็เอาเด็กก็ตายไปแล้วนี่เรียกว่าความลืมตัวนะลืมตัวก็ความคิดปรุงแต่งนะในความคิดนี้ถ้าเราถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีนะมันก็เป็นประโยชนนะ์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ะคนเราถ้ามีปัญหาแล้วไม่ใช้ความคิดแก้นะใช้แต่ความรู้สึกนะมันก็แย่นะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักนะคิดเป็นเวลาเวลาบ้างปลนะ่อยให้ความคิดมาคร่อบงําเรานะมันก็ทําให้เกิดความลืมตัวได้การที่คนเราเนี่ยจะ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 เพราะว่าเดินก็ลำบากบางทีเจอสิงสาราสัตว์เจองูเงี้ยวเขี้ยวขออยู่บนถนนอยู่บนทางก็ไม่รู้แต่ถึงแม้เราตาบอดเนี่ยเราก็ยังมีอย่างอื่นคอยช่วยอยเช่นหูนะคนบางคนที่หูดีมากแม้ตาบอดเวลาสามารถจะขับรถขี่จักรยานหรือสามารถจะเดินได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไม้เท้าเลยก็ได้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 ล้วก็บอกได้ว่ามันอยู่ใกล้แค่ไหนประมาณได้แสดงว่าหูดีมากนะคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็ตามบอดตั้งแต่กาเนิดนะแต่ว่าเขาสามารถจะฝึกจกนกระทั่งหูนี่เขานะสามารถจะทำหน้าที่แทนตาได้แต่ถ้าขาดตานายเสร็จแล้วเนี่ยก็คือขาดสตินะอันนี้แย่แล้วนะเพราะมันไม่มีอะไรจะจะแทนได้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 บางทีคนที่คนดีๆนะมีตำแหน่งนะเป็นข้าราชการระดับสูงก็เสียคนก็เพราะปล่อยให้อาราคามันครอบงำใจจนกระทั่งไปลวนลามไปทำมิดรมิร้ายกับลูกน้องนะก็กลายเป็นเรื่องเป็นข่าวเช้าโชวนะ์ยิ่งไปทำมิีรมิร้ายกับเด็กด้วยซ้ำเนี่ยอันนี้ติดคุกสถานเดียว นะอันนี้เพราะความลืมตัวนะอันนี้ลืมตัวเพราะราคะหรือ ล, ล, ลืมตัวเพราะโลภะก็เช่นอยากได้นะมันลืมตัวเห็นโทรศัพท์มือถือวางเอาไวนะ้อยากได้มากก็ไปขโมยนะหรือบางทีก็ปล้นเอานะอยากได้เพชรอยากได้พลอยนะเขามีตุ้มหูสวยเป็นเพชรเป็นพลอยก็ถึงกับตัดหูเขาไปเลยนะจะได้วิ่ง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 แต่ว่ามันเกิดบอดไม่ต้องบอดนานนะแค่บอดชั่วครู่เนี่ยก็เกิดความเสียหายได้เรามีตาไายแล้วเนี่ยก็ควรใช้นะตาไนาเนี่ยเอาไว้ใช้รู้ทันความคิดและอารมณ์สัตว์ตที่น่ากลัวที่สุดของมนุษย์เราสมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งภายนอกนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ร้ายไม่ใช่ภัยธรรมชาติอีกต่อไปละ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 อเทธธรรมะก็แพ้แล้วมันไม่ใช่แพ้รื่องเทธธรรมะมันแพ้อย่างอื่นด้วยบางที่อยากจะเอาชนะนะบางที่ความกลัวพอเกิดขึ้นเราอยากจะเอาชนะแล้วคนเราพออยากจะเอาชนะแล้วนี่มันทําได้ทุกอย่างนะความอยากอยากเอาชนะของคนเราเนี่ยมันมันแรงมากนะก็เหมือนกับผู้ชายนะคนที่อยากเอาชนะเมียนะ พยายามงอนพยายามงอ้อพยายามชักชวนเท่าไหร่ก็เมียก็ไม่ยอมทําตามกลับไปบ้านแถมด่ากับมาสิกนะอยากจะชนะเมียก็เลยต้องอใช้กําลังที่จริงมันมีวิธีชนะที่ดีกว่านั้นนะชนะด้วยธรรมะอย่างพระเจา้าตรัสว่าเอาชนะความโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธเอาชนะด้วยควา ม, มาเมตตาชนะด้วยความดีแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จากวิธีเอาชนะความโกรธ ด, ด้วยความดีนะแต่ว่า ใช้กำลังนะเบืงดากู่หรือกู่ดาสู้มึงไม่ได้กูก็ใช้กำลังตบตีหรือว่าใช้อาวุธทำร้ายอันนี้มันกลายเป็นแพ้ไปนะกลายเป็นแพเพราะว่าต้องติดคุกติดตารางนะอยากจะชนะเขาแต่กลับเป็นท่าความโกรธนะอันนี้มันแพ้สถานเดียวนะบางทีเราก็เรียกว่าแพ้ใจตัวเอง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 ไฟป่าเนี่ยนะถ้าปล่อยให้มันลามนะบางที่กองทัพต้องกองทัพยังดับไม่ได้เลยในอเมริกานี่เจอปัญหามากไฟป่านี่มันลุกลามเป็นไม่ใช่หมื่นหมื่นไร่นะไม่ใช่แสนไร่เป็นล้านไร่เลยมันอจะเริ่มต้นเพียงแค่ไม่ขีดไฟนะแค่ไม่ขีดการเดียวเท่านั้นแหละไอ้ตอนที่มันเป็นประกายไฟหรือตอนที่มันไฟยังไม่ไ ม, ไม่ทถลายเนี่ยมันดับได้ง่าย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 เขก็จะมีสัญญาณระวังระวังไฟนะสัญญาณดีเท่าไหร่ก็ช่วยทำให้ไฟเนี่ยไม่สามารถจะลุกลามจนกระทั่งกลายเป็นไฟไหม้เกิดวินาศภัยขึ้นได้สัญญาณที่ดีเนี่ยนะมันเพียงแค่มีประกายไฟเล็กๆหรือว่ามีควันมันก็ส่งเสียงบอกนะเจ้าของตึกหรือคนดูแลและเรารพอๆว่าตอนนี้ตรงนี้มันมีไฟเกิดขึ้นมันมีควันเกิดขึ้น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 นายทหารคนหนึ่งเนี่ยไนะปทะเลาะนะทะเลาะกับผู้ปกครองนะถูกด่าว่านะแล้วโกรธมากนะเอาปืนเนี่ยนายทหารนี่ก็เป็นผู้ปกครองนะเรื่องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงเรียนนะถูกด่าว่าเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามกฎรจราจรเอาเปรียบเขานะมาแย่งที่จอดรถเขาก็เลยถูกผู้ปกครองคนนึงว่านายทหารนี่ก็โกรธนะไม่เคยถูกใครว่านะมีการทะเลาะเบาแวงกัน นะรู้ไหมกูเป็นใครในายฐานถามผู้ปกครอผมไม่สนใจนะคุณทำผิดกติ ก, กาทำผิดระเบียบขับรถนะแทนที่ขับวันเวยก็ขับร ถ, นะ ถ, บบรถนะผิดช่องทางพอผู้ปกครองเขาหันหลังกลับนี่นตุลนายฐานก็นก็เอาปืนเนี่ยมาดิบดปืนขึ้นมาจากในรถเนี่ยเดินตามก่จะไปยิงนะ ไม่รู้จะยิงที่หัวหรือยิงที่หลังนะบางเอิญมันมีเด็กแล้วมันมีพนักงานพนักงานขับรถของโรงเรียนเนี่ยอยู่ตรงนั้นพอดีพนักงานคนนี้ก็เป็นคนที่มีไหวพริบปฏิพานแล้วก็มีคุณธรรมนะเห็นเหตุการณ์นี้ก็ต้องก็ต้องคิดว่าต้องเข้าไปช่วยแต่ว่าถ้าช่วยไม่ถูกนะก็อาจจะตายได้นะ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 อันหลังกลับกระเป๋าไปเก็บนะไอ้ตอนนั้นไม่รู้ตัวนะขนาดเดินไปเนี่ยเดินไปจะไปยิงเขเนี้ยไม่รู้ตัวเลยเพราะความโกรธมันครอบงำอันนี้เราไม่รู้สึกตัวนะมันต่างจากความไม่รู้สึกตัวในโรงพยบาบาลไม่รู้สึกตัวในโรงพยบาบาลคือนอนสลบนะถ้าหากว่าพูดคุยได้ก็เรียกว่ารู้สึกตัวแนละ้วเปิดตาฟังเสียงคุยรู้เรื่องนี้เรื่องรู้สึกตัวแต่ว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยถึงแม้ว่าจะคุยรู้เรื่องนะแต่เวลามีความโกรธเนี่ยนะอย่างนายทานคนนั้นเนี่ยเรียกว่าไม่รู้สึกตัวแล้วนะลืมตัวแล้วพอมีคนมาแตะนะแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยมาพูดเตือนให้นึกถึงลูกนะได้สติเลยความโกรธหายเลยนะหล่นวูบไปเลยรู้ตัวว่ากลังจะทําอะไรอยู่นะมันเปลี่ยนใจเลยนะเอาปืนไปเก็บแล้วก็เลิกต่อยอเลิกเลิกต่อ เ, อเลาะ ต, ต, ต, ต่อเทียนกับ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 มันเร็วยิ that, ่งว่าสั่งสั่งเมาส์เลนะสั่งเมาที่เกิดจากเหล้านะอเรื่องสตินี่ยถ้าเราใช้ดีๆพัฒนามากๆเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าเพื่อนคู่คิดจริงๆนะเป็นเพื่อนคู่คิดนะอมิตรคู่ชีวิตเลยนะมีธนาคารแห่งนี้ก็บอกเนี่ยเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเพื่อนคู่คิดที่ดีที่สุดก็คือสตินะเป็นเพื่อนคู่คิดนะมิตรคู่ชีวิตเลย เพราะอย่าลืมนะอย่าลืมเพื่อนชนิดนี้นะต้องพยายามคบให้มากมากนะ